มีหมาตัวหนึ่งนะทุกเช้าเนี่ยก็จะมานั่งดูหน้าเพิงขายอาหารในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเพิงนี้ก็ขายอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนะนะหมาตัวนี้เนี่ยก็เป็นหมาที่พันเป็นหมาพันดีนะรับบดอนะแล้วก็สุภาพระหว่างที่รอนี่ก็ไม่ได้เห่า เพื่อเรียกร้องหรือคาดคั้นคนขายนะว่าให้เอาอาหารไม่ชั้นสี่ไม่มีเลยนั่งรออย่างสงบเสงเง่ยมเหมือนกับเป็นหมาที่ฝึกไว้ดีแล้วก็มีลูกค้าบางคนนะเห็นหมาตัวนี้มานั่งรออยู่นานแล้วสงสารนะก็เลยซื้อพวกแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์ให้ แต่ว่าพอยื่นให้หมาตัวนี้แทนที่มันจะกินนะมันไม่กินนะ่ะมันก็แค่ ง, งับนะอาหารที่ได้รับมาแล้วมันก็วิ่งวิ่งไปไหนนะมันวิ่งไปที่ซอกซอกหนึ่งไม่ใช่เพื่อแอบกิน ขนมหรืออาหารที่ได้มานะจะมันเอาไปให้คนคนหนึ่งนะซึ่งดูสารรลลแล้วก็คงเป็นคนไร้บ้านนะหรือเื่อเรขกภาษาชาวบ้านมาเป็นคนจรจัดตัวนี้ก็เรียกว่าสกปรกเลยนะเพราะไม่ได้อาบน้ำมานานแล้วก็ท่าทางก็จะไม่ค่อยสบายด้วยมันเอา อาหารมาให้ชายคนนี้ซึ่งก็มีอายุพอสมควรแล้วก็เดา ว, ว่านะชายคนนี้ก็คือเจ้านายของมันอาจจะเคยเลี้ยงมันตั้งแต่สมัยที่เขายังมีบ้านอยู่ตอนหลังไม่มีบ้านแล้วจะเป็นเพราะค่าเช่าบ้านแพงหรือเพราะว่าบ้านที่อยู่ถูกไล่หรือหรือว่าตกงานก็แล้วแต่พอมาเก็บตัวอยู่ ในสวนสาธารณะในซอกเล็กๆเนี่ยหมาก็ตามมาด้วยแล้วหมาก็เรียกว่าสื่อสัตว์พักดีนะกับเจ้าของนะเห็นเจ้าของหิวไม่มีอะไรกินก็สาไปหาอาหารมาให้โดยการมานั่งรออยู่ที่ร้านอาหารหรือเพิงขายอาหารรอคนจะมีเมตตา คนเนี่ยก็ตั้งใจซื้ออาหารหรือว่าพวกแซนวิชเนี่ยให้หมานะแต่หมาไม่กินนะเอาไปให้เจ้านายเจ้านายพอได้อาหารก็แบ่งให้หมาตัวนี้แล้วมันก็มีความสุขนะถ้าพูดถึงสารรูบของหมาตัวนี้กับสารลูบของเจ้าของเลยมันต่างกันเยอะเลยนะหมาพันธุ์ดีมีสกุลนะแต่เจ้าของนี่โสมเรียกว่า ถ้าคนผ่านไปผ่านมาก็คงจะรังเกียจเพราะว่าตัวอาจจะส่งกลิ่นนะแต่ว่าหมาไม่ได้รังเกียจเลยนะเรียกว่าพักดีกับเจ้าของมากบางทีเราก็เห็นนะหมานั่งขอทานใกล้ๆเจ้าของซึ่งเป็นขอทานเหมือนกันอาจจะอาจจะเห็นตาม ริมถนนหรือว่าบนสะพานข้ามทางเดินเราเจอนภาพแบบนี้อยู่นะหมาที่น่ารักมีสกุลนะแต่ว่าอยู่เคียงข้างเจ้าของซึ่งโสมยากจนและก็เห็นนะว่าหมาตัวนี้มันไม่มีความรังเกียจเลยนะเจ้าของไม่ว่าจะโสมไม่ว่าจะส่งกินม้ไม่ว่าจะยากจนยังไง มันไม่แคร์ด้วยนะว่าเจ้าของนี้จะรวยหรือจะจนหรือว่าหล่อสวยถึงไม่หล่อไม่สวยถึงเบางคนพิการมันก็อยู่เคียงข้างรักแล้วก็พักดีอันนี้อาจจะต่างนคนนะคนเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยรังเกียจพ่อแม่นะ คนไทยในญี่ปุ่นเนี่ยที่ไปทํามาหากินแล้วก็ไปแต่งงานกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมีลูกพอลูกโตเนี่ยอยู่ชั้นประถมเนี่ยหญิงไทยหลายคนจะบ่นนะว่าเนี่ยลูกเนี่ยรังเกียจแม่เพราะว่าแม่นี่เป็นคนไทยนะพูดภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยได้คนไทยในญี่ปุ่นเนี่ยเาเรียกว่าไกจินนะ ไกลจีนแม้นคนต่างด้าวหรือคนนอกนะเป็นคําที่ค่อนข้างจะเหยียดหยามลูกเนี่ยพอรู้ว่าแม่นี่เป็นไกลจีนเนี่ยหรือเป็นคนไทยเนี่ยก็จะรู้สึกรังเกียจนะแต่ก่อนนี่ก็เรียกว่าใกล้ชิดสนิทกับแม่มากแต่พอเรียนชั้นปสามปสี่หรือว่าเริ่มจะขึ้นมัธยมนี้เอาละนะเริ่มรังเกียจแม่ไม่อยากจะบอกเพื่อนๆ น, นะว่า มีแม่เนี่ยเป็นคนไทยหรือเป็นไกจีนเวลามีงานที่เขาจะเชิญผู้ปกครองของเด็กนักเรียนนี่มาประชุมนี่แม่ก็มานะแต่ลูกเนี่ยก็รู้สึกอับอายนะอันนี้เป็นปัญหาที่ผู้หญิงไทยในญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนเคยมาเล่าให้ฟังและจริงก็ไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นอย่างเดียวนะใน ยุโรปเช่นเยอรมันสวีเดนเนี่ยผู้หญิงไทยก็ไปแต่งงานกับฝรั่งที่นั่นเยอะมีลูกนะลูกก็เหมือนกันนะพอโตรลูกความเขา้าก็จะเริ่มรังเกียจแม่แล้วแม่นี่เป็นพวกเอเชียนะผิวเหลืองก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะแนะนำหรือบอกใครว่าเนี่ยแม่ฉันนี่เป็นนะคนไทยหรือคนเอเชีย อันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เกิดในต่างชาติหรือเกิดในต่างประเทศเท่านั้นนะบางคนเนี่ยเป็นลูกชาวนาแล้วก็เข้ากรุงได้ดีได้ดีดดนะเป็นข้าราชการระดับอธิบดีปลัดกระทรวงหรือว่าเป็นผู้จัดการบางทีก็อับอายนะอับอายว่าแม่นี่หรือพ่อเนี่ยนะเป็นชาวนาชาวไร่ หรือบางทีอายที่พ่อแม่เป็นชาวอีสานอายที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยนะมีพ่อแม่เป็นชาวนาเป็นชาวไร่หรือบางทีก็อายว่าพ่อแม่นี่ะเป็นชาวเขาหรือว่าเป็นคนชนกลุ่มน้อยอันนี้มันต่างจากพวกหมาแมวนะหมาแมวนี่ไม่มีความรู้สึกรังเกียจผู้มีพระคุณเลยหรือว่าผู้เป็น จะเรียกว่าพ่อแม่นะแต่คนเรามีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการอา่เรียกว่าติดสมมุติก็ได้นะที่จริงเนี่ยจะรวยจะจนตล่อสวยหรือน่าเกลียดไม่สวยเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นอ่ผู้ดีหรือว่าคนต่ำต้อยพวกนี้เป็นเรื่องสมมุตินั้นแหละนะ มันก็มีพื้นเพมาจากการแบ่งแบ่งแยกตามอาชีพตามหน้าที่ชาวนานักบัญชีหมอเกษตรก ร, กรสถาปนิกวิศวกรนะแต่ว่าพอแบ่งไปแผงมามันมีการให้ค่านะว่าเนี่ยอย่างนี้สูงอย่างนี้ต่ำถ้าพ่อแม่เป็นชาวน า, างนี้ต่ำนะถ้าฉันมีอาชีพเป็น ข้าราชการระดับสูงนี่อย่างนี้ถือว่าสูงส่งพอไต่เต้าขึ้นมามีตำแหน่งสูงแล้วนี่หรือมีสถานะที่สูงนี่ก็อายนะอายพ่อแม่อายบรรพบุรุษอายที่บรรพบรุษ ม, มีเป็นชาวนาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือว่ายากจนนะมนุษย์เราเนี่ยที่เรามีความคิดนะมีสมอง สมองก็ทําให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรได้มากมายแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยพอมีสมองมามําก็ไปติดสมมุตินะไปติดเรื่องค่านิยมกลัวว่าคนเขาจะมองเราอย่างไรที่เรามีพ่อแม่เป็นชาวนาหรือว่ามีพ่อแม่เป็นชนกลุ่มน้อยมีพ่อแม่เป็นไกลจินนะไปสนใจสายตาคนอื่น แต่หมาแมวนี่มันไม่มีไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เลยนะใครจะมองฉันฉันยังไงยังไม่สนใจนะฉันก็มีความรักมีความพักดีกับเจ้าของซึ่งเปรียบเหมือนพ่อแม่คนเราถ้าเรียนรู้แบบนี้บ้นะเรียนจากพวกหมาแมวแบบนี้บ้างนะว่ามันไม่มีความรู้สึกเลือกที่รักมาที่ชังแบบนั้นใครที่มีพระคุณก็รักนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะจะสูงส่งหรือต่าต้อยจะสวยไม่สวยรอไม่รอ นะจะร่ำรวยยากจนฉันก็รักของฉันฉันก็คอรบของฉันบางทีเราก็ต้องเรียนรู้นะจากามาแมวเ่าเนี่ยนะ